ธรรมบทแปลเรื่องที่163เรื่องพระติสเทธิระข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในเมืองไผ่าลีทรงปรารพภิกษุรูปใดรูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าปวิเวกกระสั่งเป็นต้นตอน ได้ทราบข่าวปรินิพานแล้วบำเพ็ญสมณธรรมความพิสดารว่าเมื่อพระสัสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโดยสเดือนจากนี้เราจักปรินิพานภิกษุ700ในสำนักของพระสัสดาถึงความสะดุ้งแล้ว ถ้ามสังเวชเกิดขึ้นแก่พระขี่นาศพทั้งหลายภิกษุปุถุชนทั้งหลายไม่สามารถจะอดกลั้นน้ำตาได้ภิกษุทั้งหลายเป็นพวกเป็นพวกเที่ยวปรึกษากันว่าพวกเราจะทำอย่างไรหนอครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าติสสะเถระคิดว่าได้ยินว่าพระศาสดา จากปรินิพานโดยล่วงไปสี่เดือนก็เราเป็นผู้มีราคะอย่างไม่ไปปราดเมื่อพระสัสดายังทรงพระชนอยู่นั่นแหละเราควรถือเอาพระอรหันต์ให้ได้แล้วจึงอยู่ผู้เดียวเท่านั้นในอิริยาบถสีการไปสู่สำนักของภิกษุทั้งหลายหรือการสนทนาปราศัยกับผู้ใดผู้หนึ่ง ย่มไม่มีครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายกล่าวกับท่านว่าคุณติสะเหตุไรคุณจึงทำอย่างนี้ท่านไม่ฟังถ้อยคำของภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นกราบทูลความเป็นไปนั้นแด่พระสัสดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระติสาเถระ ไม่มีความรักในพระองค์พระสัสดารับสั่งให้หาท่านมาแล้วตรัสถามว่าติสะเพราะเหตุไรเธอจึงทำอย่างนี้เมื่อท่านกลับทูลความประสงค์ของตนแล้วประธานสาธุกการว่าดีละติสะแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ผู้มีความรักในเราจงเป็นเหมือนติษสะเถิดแม้คนกระทาการบูชาอยู่ด้วยของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นไม่ชื่อว่าบูชาเราเลยแต่ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นแหละชื่อว่าบูชาเราแล้วตรัสพระคาถานี้ว่าปวิเวกระสั่งปิตวา ระั่งอุปสมัสจะนิโดโรโหตินิปปาโปธรรมปีติระสั่งปีวังบุคคลดื่มรสอันเกิดแต่วิเวกและรสพระนิพพานที่เข้าไปสงบดื่มรสปีติอันเกิดแต่ธรรมยอมเป็นผู้ไม่มีความกระวนกระวายไม่มีบาปตอนแก้อัด เบนดาบทเหล่านั้นบทว่าปวิเวกอรซั่งความว่าซึ่งรถอันเกิดแล้วแต่วิเวกอธิบายว่าซึ่งความสุขอันเกิดแต่ความเป็นผู้เดียวบทว่าปิตวาความว่าดื่มแล้วด้วยความสามารถแห่งอันเป็นผู้ทํากิจมีอันกําหนดรู้ทุกเป็นต้น ทำให้แจ้งโดยความเป็นอารมณ์บาทพระคาถาว่าราซั่งอุปสมัสสะจัความว่าดื่มแล้วซึ่งรสแห่งพระนิพพานอันเป็นที่เข้าไปสงบกิเลสด้วยสองบทว่านิทโรโหติความว่าภิกษุผู้ขี่นาศบ ชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีความกระวนกระวายและไม่มีบาปเพราะความไม่มีความกระวนกระวายคือราคาเป็นต้นในภายในเพราะดื่มรสทั้งสองอย่างนั้นสองบทว่าระสร้างปีวังความว่าแม้เมื่อดื่มรสแห่งปีติอันเกิดขึ้นด้วยอำนาจโลกุตรธรรม9ก้าอย่าง ยอมเป็นผู้ไม่มีความกระวนกระวายและไม่มีบาปในการจบเทศนาพระติสเทระบรรลุพระอรหัสต์แล้วเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนดังนี้แลเรื่องพระติสัทธระจบ